FM 89.5 m ม 89. z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยมืออาชีพราคา ย, ย่อมเยาวปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีด้วยคุณภาพกับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีศูนย์รงังสิ ปักทางเข้าเมืองเอกติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999ศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 จอทีวีขนาดใหญ่และ w i ไฟความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร 092-318-9887 หรือที่แฟนเพจ RMU TT Innovation and Knowledge Center ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั้น RMTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือที่คลื่นนี้ 89.5 m ิบเมกะเฮิร์สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ RMTT u News พิกัดข่าวเด่นนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับเดียวทีระเดชงามเหลือเป็นประจำเมื่อวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยากจะนำมาเตือนภัย กันสักหน่อยเป็นเรื่องใกล้ตัวเหตุไฟไหม้อุบัติเหตุการเมืองนิดหน่อยจริงๆไม่ค่อยใหญ่จะคุยเรื่องของการเมืองมากนะครับเพราะว่าบางทีเราพูดไม่ค่อยถูกขูฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไม่ชอบว่าอย่างนั้นแต่ต้องบอกว่าผมเนี่ยคือค่อนข้างเอียงข้างนะฮะเราจะเอียงไปทางประชาชนนะผมไม่ได้สนใจนักการเมืองไม่ได้เข้าข้างไหนเป็นพิเศษแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โฟกัสคือประชาชน นะประชาชนก็มีความเดือดร้อนอย่างไรเขาต้องการอะไรต้องการสื่อสารอะไรไ ป, ไปถึงบรรดานักการเมืองที่ว่าคุณเน็ตอยู่ในสภ า, าอันนี้เราให้ความสําคัญนั้นต้องบอกว่าใครชินชอบใครแล้วก็แล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพูดอะไรไปแล้วไม่ชอบกับกลายว่าเดี๋ยวจะมีการต่อว่ากันขึ้นมาอะไรว่าอย่างนั้นนะฮะต้องบอกกันอย่างนี้นะครับย้ําจุดยืนนะครับเข้าข้างประชาชนไม่ได้เข้าข้างนักการเมือง นะนี่สิ่งที่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะพยายามที่จะหาสาระความรู้ต่างๆแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์นะครับในการใช้งานทางด้านของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของโลกออนไลน์บ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้ผมเห็นเนี่ยน้องๆที่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาจบมาในบางทีเขาไม่ได้ทำทำงานในสายงานของตัวเองนะฮะเขาไปทํางานสื่อเขาเป็นยูทูบเบอร์ เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หมายความว่าอะไรฮะเขาเรียนบางทีเนี่ยเขาเรียนให้แม่เขาให้พ่อเขาเช่นวิศวะใช่ไหมฮะผมคิดว่าอนาคตดีนะครับมันเป็นสายงานชีพที่มีอนาคตดีมีเงินเดือนค่อนข้างดี น, น, น, น, นะครับแต่ว่าด้วยความชอบส่วนตัวแล้วนะฮะอาจจะไปหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งบันทึกภาพตัดเป็นคลิปวิดีโอผมเห็นมีหลายคนนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์โด่งดังอยู่ในทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราชื่นชมเขาแล้วก็พยายามที่จะติดตามผลงานและนํามาปรับเปลี่ยน กับการทํางานของเรานะครับวันนี้เนี่ยผมต้องไปสอนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศข่าวนะครับของกศทชเพื่อสอบใบผู้ประกาศข่าวนะครับวันนี้ไปเป็นครูนะอยากจะไปแชร์เหมือนกันนะครับว่าหากว่าใครเนี่ยมีความสนใจงานทางด้านสื่อสารมวลชนนี่นะครับคุณไม่ต้องรอช่องทีวีนะครับคุณมีเครื่องมือที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากอยู่แล้วก็คือสมาร์ทโฟน แล้วคุณก็มีแพลตฟอร์มนะครับช่องทางในการที่จะเผยแพร่ผลงานของคุณเนี่ยอยู่ใกล้ตัวมากเช่นอะไรบ้างครับ Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok. อินสตาแกรมเ o o บุ๊ก u ูทูบสแนปแช t t ิกต k อกอะไรที่ผมว่ามานี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำคอนเทนต์เผยแพร่ไปได้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับไทย p b บเนี่ยจะมีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่เรียกว่าวิภานะครับมีการ ประชสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วโดยผู้ในการของไทยพีบีเอสนะฮะอาจารย์เวสสเีนะครับก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยไทยพีบีเอสมีการวางแผนอย่างไรมีการปรับตัวอย่างไรเราคงจะไม่ได้ทําแค่ทีวีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราเป็นสื่อสาธารณะนั้นมีทั้งทีวีดิจิตอลเอชมนะฮะมีทั้งวิทยุนะครับไทยพีบีเอสเรดิโอเมื่อก่อนนี้ก็โคกับวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยนะครับ ก็ดจะเผยแพร่รายการข่าวเช้าไทยพีบีเการบันใหม่ไทยพีบเใช่ไหมฮะเรามีสื่อออนไลน์อย่างเช่น t วิตเตอร์ Facebook กที่ว่ามียูเซอร์ในนั้นนะครับมีคนติดตามในหลายหลายคนดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าวิภาานี่นะครับหมายความว่าคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆเนี่ยมันก็จะหลั่งไหลไปนะครับเข้าไปสู่แพลตฟอร์มที่เรียกว่าวิภาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปติดตามรับชมรับฟังย้อนหลังก็ได้ นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคนี้มันเป็นแบบนั้นแล้วนะฮะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับคนก็จะอยู่กับโทรศัพท์มือถือทีวีเห็นตัวเลขเนี่ยลดลงสื่อเองต้องมีการปรับตัวเมื่อวานผมไปสัมมนามานะครับกับบรรดาเพื่อนเพื่อนพี่ๆของไทยพีบีเสนะฮะจากสำนักต่างๆนะครับก็ได้มีความเห็นร่วมกันนะครับว่าเราจะมีการปรับตัวให้เข้าใกล้นะครับหรือว่ามีความใกล้ชิดกับกับคุณผู้ชม คุณด้ฟังเนี่ยมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่จากเดิมนะอาจจะเห็นว่าดูไทยพีบีเอสเนี่ยการสื่อสารอาจจะดูเข่งขึงนะครับต่อไปนับจากนี้เนี่ยฮะก็จะเห็นนะ ค, ความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นความเป็นกันเองครับซึ่งผมก็ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในในการออนไลน์สร้างความเป็นกันเองเพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นสื่อสาธารณะใช่ไหมฮะเราจึงอยากที่จะ สร้างความเป็นกันเองให้เข้าถึงง่ายๆนะครับดังนั้นเดี๋ยคุณผู้ฟังครื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีสามารถที่จะเข้าไปทักทายพูดคุยกับผมได้ในรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับดิจิตอล HD3 ตั้งแต่ต5ห้าเลยเปิดมาได้คุณเปิดทีวีนะฮะแล้วก็คุณเปิดคุณเปิดสมาร์ทโฟนในเพจ Facebook ของวันใหม่ไทย PBS ีเอนะครับทำไมถึงแนะนำอย่างนั้นว่าถ้าเกิดว่าคุณดูทีวีอยู่แล้วคุณเห็นข่าวข่าวหนึ่ง มันไปมีผลกระทบหรือว่าคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุณเขียนส่งมาได้เลยนะฮะเขียนลงมาในคอมเมนต์นะฮะส่งมาในผมอ่านทุกข้อความบอกเลยนะฮะจะเป็นคําติคําชมคําอะไรกันแล้วแต่เนี่ยผมอ่านทุกข้อความแต่ผมจะเลือกข้อความที่สร้างสรรค์มารายงานออกอากาศจริงๆดังนั้นเนี่ยคุณฟังเองนะครับ หรือว่าคุณผู้ชมเองอาจจะไม่เคยเห็นรายการข่าวที่ไหนที่กล้าอ่านข้ อ, ขอความของคนดูได้มากขนาดนี้อา่านี่ผมพูดเลยนะฮะผมว่าทำอยู่เมื่อ 2-3 สาวันที่แล้วเราต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับกับคนดูมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันครับ Rmu Tt News เนี่ยเราก็พยายามที่จะนึกถึงเรื่องประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเป็นหลักนะครับอะไรที่จะมีผลกระทบอะไรที่อยากจะเตือนภัย อะไรที่อยากจะส่งเสริมให้บรรดาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะคุณมีอาชีพที่ก้าวหน้ามั่นคงโดยการใช้งานผ่านทางออนไลน์นะครับอ่ะผมจะค่อยๆ อ, อธิบายไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือมีหลากหลายประเด็นที่อยากจะมาคุยกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใกล้ตัวเหตุไฟไหม้ครับเหตุไฟไหม้เนี่ยที่ว่าผมจะเล่าให้ฟังนี้นะฮะมันเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับปรากฏว่าไปเกิดเหตุไฟไหม้ที่ตลาดไทยยนยุคบ้านรจันท์นะครับ ตลาดนี้นี่ชื่อดังนะแล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้โรยรารประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับทำให้ร้านค้าในพื้นที่บริเวณนั้นนะครับเกิดความเสียหายประมาณ20บร้านค้าด้วยกันผมให้ฟังเสียงบรรยากาศที่เกิดขึ้นนี่นะครับในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปดับเพลิงเนไปถึงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ในภาพนะฮะ พยายามที่จะถอยรถเข้าไปกู้ภัยนี้ก็มากันเต็มเลยนะฮะเพราะตามรายงานเนี่ยบอกว่าทางตำรวจสพค้ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ ไ, ได้เห็นนะครับว่ามีปเปะยวไฟเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณภายในตลาดถ่ายยนยุคบ้านบางระจันตั้งอยู่ภายในวัดโพ9ต้นอำเภอข่ายางรจันทรจังหวัดสิงห์บุรีครับ ซึ่งก็เป็นตลาดย้อนยุคชื่อดังของจังหวัดสิงห์บุรีก็เลยรีบแจ้งรถดับเพลิงแล้วก็วิทยุแจ้งเหตุพร้อมกับพูดไปที่เกิดเหตุทันทีโดยมีชาวบ้านนะครับในละแวกนั้นอาสาสมัครบอเต็กตึงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็รถดับเพลิงจากหลายเทศบาลด่าดดมฉีดน้ําเพื่อควบคุมเพลิงก็ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงนะครับจึงมีการควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงที่วัดโผ่ก้าต้นแล้วก็ตลาดถายย้อนยุค บ้านบรรจัณนะครับที่มาช่วยกันดับเพลิงก็เล่าว่าได้ยินเสียงดังคล้ายกับแก๊สระเบิดครับจึงออกมาดูเห็นเปลวไฟเนี่ยลุกไหม้ที่บริเวณตลาดไทยย้อนยุคบ้านบรรจัณก็เลยตะโกนให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยไปช่วยกันดับไฟไฟได้ลุกลามเร็วมากครับเนื่องจากว่าร้านค้าทั้งหมดนั้นก็สร้างด้วยไม้แล้วก็หลังคาเนี่ยมุงแฝกทําให้มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไงครับ ไฟเนี่ยลูกลามอย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าโชคดีนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยดับไฟได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะซึ่งก็จะเป็นวันหยุดของคณะกรรมการตลาดทายย้อนยุคอ่าเดี๋ยวฟังเสียงนะของตำรวจก่อนนะครับที่ได้ได้เห็นเหตุการณ์นะฮะ สาเหตุนะครับสาเหตุต้องรอการสทงนอ่ะซึ่งเราก็ได้เห็นนะครับว่าเหตุ ก, การณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยคือยังไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยาาเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เรรู้ว่าเกิดเหตุก็รีบวิ่งมาเลยนะครับวมสวิ่งมาเรียกว่าคนที่ขายอยู่ในชุม บ้านบางละจันเนี่ยมช่วยกันนะ น, น, นะแล้วจกกับเดินมาอนพอทันไหมก็เขามากามาก่อนอ๋อเหลอมาไวมากอ่อะแ ล, แล้วอย่างนี้ทายัางไงเนี่ยพอ <c oughs> อย่างพวกเนี้ยจะมีการเปิดขายหมหยังไม่แน่ใจเนาะยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอเขาต้อรอเนาะโอเคครับค่ะพงศครับชาบ้านเขาก็ช่วยกันนะครับ ชาว บ, บ้าได้ช่วยกันพอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าต้องชิ่นชมตํารวจหน่อยพอมีคนเห็นแล้วเนี่ยเขาแจ้งตำรวจตารวจก็มีการแจ้งต่อนะฮะให้มาระคับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะความเสียหายพอสมควรนะครับยีกว่าร้านค้าด้วยกันนะครับแล้วสําหรับตลาดไทยยอนยุกนะฮะคุณผู้ฟังครับตลาดไทยยนยุคบ้านบางราจันเนี่ยตั้งอยู่ที่ในวัยในวัดโผล่ก้าต้นตบาบงราจย์อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมีการจัดแต่งซุ้มจําหน่ายสินค้าด้วยวัสดุธรรมาชาติ ในรูปแบบพื้นบ้านครับแล้วก็จะแต่งตัวย้อนยุคสมัยยุคชาวบ้านบางราจันมานั่งจำหน่ายสินค้าแล้วก็จะมีการพูดจานะครับเช่นขอรับอะไรแบบนี้เจ้าค่ะสินค้าที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายก็จะเป็นพวกอาหารท้องถิน่นขนมโบราณที่หาทานได้ยากนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ที่ทำมือเนี่ยรวมไปถึงพืชผักผลไม้สดๆจากไร่สวนของชาวบ้านซึ่งก็นามาขายกันในราคาเพียงแค่หลัก1ิบาทเท่านั้น จึงทำให้ตลดาดไายย้อนยุคบ้านบารราจารนั้าดงดังครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสายเลยนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายได้แต่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะฟืนไฟจะเกิดเหตุจากแก ร, ระเบิดไหมหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรนนเนี่ยต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ฮะพักกันสักครู่ช่วงหน้าครับมาติดตามข่าวอุบัติเหตุนะครับแล้วก็อื่นๆ ใน RMTT News ข่าวเดนนะครับสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMTT Moving Towards Innovative University สถานพยาบาลการแพทย์แผ่นไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผ่นไทย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 กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการอาเยมยูทนวพิการข่าวเดนนะครับกับผมบริดเดตแกงเบอร์ช่นเคยนะครับเอาละฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เนี่ยจะจะมารายงานข่าวกันอย่างต่อเ น, นื่องเลยนะครับล่าสุดไปเกิดเหตุอุบัติเหตุนะฮะคือเกิดเหตุรถกระบะเนี่ยชนกับราวสะพานแล้วคนขับนะตามรายงานบอกว่าอาการสาหัสเลยนะฮะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณสักตีหนึ่งสามสิบนาทีนะแล้ว ตามราย ง, งานบอกว่าตํารวจสอพอเมืองตราดรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนราสะพานนะครับมีผู้เดินรถบาดเจ็บหนึ่งคนพอเจ้านที่ครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็ไปพบว่าที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะพานบางพระถนนสายตราดแหลมงอบหลักกิโลเมตรที่หนึ่งครับตรงกลางสะพานเนี่ยพบรถยนต์กระบะสีบรอ น, นะครับหมายเลขทะเบียน บมีไม้ฉาะิ่งสาศตราดคือว่าหันหน้าในคือว่าขวางถนนเต็มช่องวิ่งขาออกจากตัวเมืองตราดเลยภายในรถจนนะครับตรงที่นั่งคนขับเนี่ยก็พบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ25ปีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับไม่เห็นแล้วคือเขาไม่รู้สึกตัวแล้วนะฮะคนขับเนี่ยมีบาดแผลที่ใบหน้าแล้วก็ลาตัวเนี่ยสาเหตุเพราะว่า แรงกระแทกนะครับแล้วรถยังไปอัดกอ ป, ปี้กับพ่วงวัลไลเจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันประถมพยาบาลนะครับเป็นการเบื้องต้นก่อนด้วยการปั๊มหัวใจนานกว่า10นาทีอาการก็ไม่ดีขึ้นนะฮะจึงได้ช่วยนําส่งโรงพยาบาลตราสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ได้บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับขับรถตามหลังรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งก็แล่งมุ่งหน้าไปทางอําเภอแหลม ง, ง, งอบด้วยความเร็วมาถึงที่เกิดเหตุนะครับรถยนต์นีก็ ขึ้นเชิงสะพานรถเกิดเสียหลักครับเผินขึ้นชนกับราวสะพานแล้วก็สะบัดไปควางถนนในที่เกิดเหตุโชคดีนะครับที่ไม่มีรถแล่นสวนทางมาจึงไม่มีอุบัติเหตุซ้ําซ้อนหลังจากนั้นคือวจ้าจน้าที่นะครับก็ได้นารถนะไปเก็บเอาไว้ภาพที่ผมเห็นคือวจ้าจน้าที่พยายามที่จะช่วยกันปั๊มหัวใจคนขับรถนะฮะเพราะว่าเขาติดอยู่ในรถเนะี่ยอยู่นานเลยนะครับทั้งใช้การ CPR แล้วก็ พยายามที่จะให้ออกซิเจนนะครับการ CPR นั้นถือว่ามีความสำคัญมากนะครับถ้ากว่าใครเนี่ยมีความรู้นะสามารถทำไปเกี่ยวเรื่องนี้นอกจากนี้เนี่ยนอกจากอู้ภัยนะเราได้เห็นนะครับจิตอาสา ท, ที่ว่าเขาง่งเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและก็มีความรู้อาจจะเป็นพยาบาลนะครับลงไปช่วยผู้บาดเจ็บในทันที จ้ที่ตรวจสอบรถยนต์ไปนะครับเป็นกระบะอย่างที่ที่บอกไปนะว่าลักษณะคือว่าพอชนแล้วเนี่ยตัวหัวนะฮะด้านหัวเนี่ยของรถเองนมันหันไปทิศทางตรงข้ามกับราวสะพานนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะฮะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เออรงู้จักไหเรารู้จั ก, าากไม่รอกไม่เขามาเร็วมะมาเร็วว่ราผมได้ยินเสียงเบรกกะูกดั เสี่งป้าเมย์ไปนอนอะไรเลยนโทน1นึ้าแสดงว่าหนักมากเลยะไปวิ่โทรบอกเลยเหรอผมไเพิ่งโทรบอกร่าให้เขาให้มาะหงกว่ปังแรงคนเขาลงไปนอนอยู่กระบอกแล้วแต่มาเร็วมากไเร็วลยก็ยงผมเห็นเขาเปิดตัวเเเปิดตัว่ดมคนมากันหัวทคนข้างคางในแถวี่ชกันเปิด ก็คนแถวนเาเชิญเปิดเขาเดินมาดูเขาเชิญอ๋อเราเราไปช่วยมันเปิดประตูนี่ฮะคือชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยได้ยินเสียงก่อนปั๊ม อ, อย่างดังเลยนะฮะแล้วก็หวัยพิบัติภานดีมากโทรตามเลยนะโทรตามหนึ่งเกหนึ่งเลยนะให้มาช่วยด่วนเลยนะครับพอคาดว่าแหวดูแล้วน่าจะเจ็บหนักก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้นะครับว่าคนขับนั้นมีอาการที่ บาดเจ็บอย่างหนักจริงๆนะครับเราก็ต้องขอชื่นชมด้วยนะครับที่ได้ช่วยกันร่วมไมายร่วมมือกันนะครับทีนี้เนี่ยตามรายงานคือว่าคาดว่าเอมเกิดจากการที่คนขับเนี่ยขับรถเร็วเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยต้องไปดูกันต่อไปเหมือนกันนะครับว่านอกจากขับรถเร็วเนี่ยอะไรที่มันแฝงอยู่ข้างในนั้นเมาไหมนะครับก็ต้องมีการตรวจเลือดด้วยนะครับว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยมีเท่าไหร่ เกิน50าสิบไหมหากว่าเกินห้านต์นะ น, นะครับถือว่าผิดกฎหมายนะครับถ้าเกิดผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เขจะมีการดําเนินคดีต่อไปอย่างต่อไปนั้นก็คือว่าง่วงหรือเปล่านะครับง่วงแล้วมหครับเคยแนะนําอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทางด้านของการดูแลเรื่องความปลอดภัยหรือว่าสรุปข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเจ้าหน<ะ>้าที่เขาก็จะแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณง่วงนะครับคุณไม่ควรขับรถอันนี้นเป็นเรื่องจริงฮะ แต่ทีนี้เนี่ยวิธีการที่จะทําให้หายง่วงมันทํำยังไงละ่ะหลากหลายวิธีนะครับเช่น1คึู่จะกินขนมก็ได้หาของขบเคี้ยวมานะครับ 2. จอดรถนอนครับประมาณสักสินาทีอย่าเกินกว่านั้นทําไมถึงจะเกินไม่ได้ในวิชาการเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณนอนเกินกว่าสิบนาทีแล้วคุณตื่นขึ้นมานะคุณจะ ง, งัวงเงียมึนตึบเลยมันไม่เฟรชนะมันไม่สดชื่นนะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย สิบห้านาทีนี่ยกำลังดีนะครับพอสดชื่นได้อย่างที่สามคืออะไรฮะชวนเพื่อนไปด้วยคุยกันฮะขับรถไปคุยไปอาจจะมีเสียสมาธิบ้างนะครับแต่ว่าเพื่อนบางทีไปแล้วเห็นเราไม่ไหวใช่ไหมก็ปรับเปลี่ยนกันนะครับและผลงานวิจัยบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าขับรถเกินกว่า30สิบกิเมตรต่อชั่วโมงพูดในกรณีถ้าเกิดว่าคุณเจอทางแยกนะ แล้วคุณเจออะไรตัดหน้าเนี่ยเบรกไม่ทันครับเบรกไม่ทันนะฮเกือปล้อยทางร้อยนะครับที่ขับรถเร็วเกินกว่าสามสิกิเมตรต่อชั่วโมงนั้นเจอเด็กตัดหน้าเจอสัตว์เลี้ยงตัดหน้านะครับรถตัดหน้าชนเต็มเต็มครับอันนี้ก็เอามาเตือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของมาเรียมสักหน่อยดีไหมฮะมาเรียมเนี่ยเป็นพายุน้อยนะครับเป็นพายุน้อยที่ นะตอนนี้เนี่ยเป็นขวัญใจชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเดิมนะครับท่านจะลงมาช่วยเรื่องการออกแบบเดี๋ไปฟังเสียงเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่นี่ยเพยายามพิจะช่วยกันแค่บ้างท่านคุณหมอก็บอกว่าท่านมีประสบการณ์ว่าเราควรที่จะทําบ่อมาบ่อแล้วก็มาอยู่ในธรรมชาติในทะเลนะครับเป็นบ่อชั่วคราวซึ่งเราก็จะเอามาเรียมนะครับมาอนุบาล นะครับอนุบาลเพื่อให้เขาปลอดภัยจากเรื่องการเกยตื้นแล้วก็จากการจะไปโดนโขดหินบาดอะไรพวกนี้ครับเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยมาเรียมในช่วงมรสุมได้ด้วยนะครับแล้วก็เขาจะปลอดภัยในเรื่องของการไม่ไปเกยตื้นที่เจ้าหน้าที่จะต้องไปหาเขาเกือทุกคืนนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นที่ทุกคนเป็นห่วงเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราก็ติดตามข่าวมาเรียนมาล้วได้ข่าวว่าด้วยความสนของเธอนะคะก็เที่ยวไปติดเกย อ, อยู่นู่นนี่นั่นทําให้เจ้าหน้าที่เองก็เป็นห่วงใยนะคะต้องออกมาทํางานทีสองทีสาเพื่อจะดูว่า มาเรียมปลอดภัยหรือเปล่าก็เลยคิดว่านะคะเราควรจะต้องมีพื้นที่ให้เขาอยู่ในตอนกลางคืนที่ปลอดภัยนะค ะ, ะก็เช่นเดียวกับเวลาเรามีสัตว์ที่เรารักนะคะแล้วตอนกลางคืนก็เอาเขาเ ข, าเข้าบ้านนะคะพอตอนเช้าก็ปล่อยเขาออกมาวิ่งเล่นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะคะบ่อนี้นะค ะ, อ น, น, ะ, คะนอกจากช่วยมาเรียมแล้วนะคะก็คิดว่าต่อไปถ้าเรามีการเกยตื้นของสัตว์เลหายากไม่ว่าจะเป็นโลมา ห, หรือพยูนที่ต้องการความช่วยเหลือที่เกาะลีบงเนี่ยก็จะสามารถใช้บอ่อนี้ได้ค่ะ เจ้าหน้าที่เองก็จะได้าสามารถจะเอาใจใส่เขาได้เต็มที่นะคะได้ตลอดนี่ฮะเป็นความคิดแนวคิดนะครับวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะทำอะไรให้กลับมาเรียบบ้างเพราะว่าทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานชาติส ป, ปาร์และันธ์พืช น, น, นก็ส่งทีมแพทสูตรวิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์นะ จุฬาลงกรมาวิทยาลัยก็ลงสํารวจพื้นที่นะครับทําบ่อนุบาลมาเรียมรับมือกับมรสุมใหญ่ครับแก้ปัญหามาเรียมเนี่ยเกิดตื้นขณะที่ว่าน้ําลงนะครับแล้วก็ป้องกันการถูกคลื่นซัดขณะที่เกิดมรสุมเพื่อความปลอดภัยของเจ้ามาเรียมแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติการดูแลอนุบาลเจ้ามาเรียมด้วยนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าสําคัญมากนะเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยอาจจะเกิดมรสุมใหญ่เข้ามาถ้าเกิดว่าเกิดมรสุมใหญ่เข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะส่งผลนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการปฏิบัติการเนี่ยได้ ยากมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับอย่างที่คุณหมอเนี่บอกไปนะว่าการดูแลเจ้ามาเรียมเนี่ยนะฮะคือว่าเจ้าน้าที่เขาต้องมีการดูแลตลอด24ชั่วโมงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะฮะนี้ที่อ่าวดุยงใกล้กับเขาบาตูหมูสีตะบนเกาะลิบงอําเภอกันตังซึ่งก็เป็นสถานที่ดูแลอนุบาลเจ้ามาเรียมพออยู่น้อยไวัยประมาณสักหเดือนนะครับแบบธรรมาชาตินะฮะคือเขาเลี้ยงแบบในทะเลเลยนะฮะเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่ทีมสัตวแพทย์กรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและก็เจ้าหน้ที่เขตห้าหามลา่าสัตป่ามุกอริบงกลุ่มพิทักษ์รุยงและก็เจ้าหน้าที่อาสานะครับโดยขณะนี้ครับกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมและคลื่นลมก็จะมีกําลังแรงครับซึ่งก็เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มทํางานยากลําบากครับเป็นอันตรายทั้งจากแมงกระพุนปลากระเบนและก็เป็นอันตรายกับเจ้ามาเรียมที่ยังเป็นพยูนวัยเด็กที่ร่างกายยังไม่แข็งแรงยังต้องมีการป้อนดมป้อนหญ้าและก็ยังไม่รู้จักทะเลดีพอ จะเกิดอันตรายได้ทั้งจากการถูกคลื่นซัดออกจากฝั่งไปสู่ทะเลใหญ่หรือว่าอาจจะเกิดตื้นหลังจากน้ําลงทําให้ทางกรมอดีญาแห่งชาติสปาร์และผ่านพืช น, นะครับและกลมทรัพย์จีกรทางทะเลและชายฝั่งก็คิดค้นหาวิธีการวางแผนดูแลอนุบาลมาเรียมนะครับให้เกิดความปลอดภัยล่าสุดนะครับนายชัยยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าเขตห้ามลากส ป, ปาหมอุปกรณที่บ่งนะครับก็ได้ไปลงพื้นที่พร้อมกับสาธารณแพทย์หญิงดรนันทริกาชันซื่อ ผู้มีการสูงวิจัยโรคสัตว์น้ําคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลครับก็ได้รับมอบหมายจากทางกรมอุทยานนะครับให้ลงมาศึกษาพื้นที่เพื่อหาทางออกแบบสร้างบ่ออนุบาลเพื่อใช้สําหรับการดูแล อ, อนุบาลเจ้าประยุนน้อยมาเรียมนะครับในช่วงฤดูมรสุมนีมน้เบื้องต้นนะครับทางดรดันตริกาก็ได้มีการประสานหาหรือไปยังบริษัทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่วิศวกรรมที่สามารถให้คำปรึกษาในการออกแบบบ่ออนุบาลชั่วคราวดังกล่าวเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่แล้วก็ ไม่ไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับน้ำเนี่ยสามารถที่จะไหลเวียนได้หรือว่าหากว่าเป็นช่วงน้ําทะเลลงเนี่ยก็สามารถที่จะมีการกักเก็บน้ําได้ทั้งนี้นะครับก็จะให้มาเรียมเนี่ยไปพักในบ่อช่วงขนาดที่ว่าน้ําลงก่อนบ้องการปัญหามาเรียมเคยตื้นหรือว่าขนาดให้อาหารรัวนมนะฮะ ร, รวมถึงยญ้าทะเลที่ว่าจะกินแบบเป็นหญ้าทะเลใบมะขามนี่นะในช่วงขนาดที่ว่าน้ำขึ้นหรือว่าเกิดพงสุ่มใหญ่ โดยที่ทางบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับจะส่งเจ้นที่เข้ามารวบศึกษาในเร็วๆนี้นะครับรวมทั้งก็จะมีการเร่งหาหรือกับผู้นําชุมชนรวมทั้งประชาชนชาวตำบลเกอะลิบวงด้วยเพื่อร่วมการระดมความคิดเห็นในการออกแบบก่อสร้างอนุบาลชั่วคราวดังกล่าวโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับสภาพพื้นที่ก็มีความเหมาะสมที่จะทําบ่อชั่วคราวได้โดยจะใช้พื้นที่ไม่มากนะครับริมชายฝั่งในและมีประมาณสัก10เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับประมาณ20เมตร ทางนี้ในหากว่าสามารถทําได้ครับก็จะทําให้เจ้าหน้าที่นั้นมั่นใจในความปลอดภัยของมาเรียมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยนายเฉยพึ่งนะครับบอกว่าทางกมรมอนุยาตนะครับต้องคิดหาทางออกนะครับในการดูแลมาเรียมในช่วงมรสุมใหญ่ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของมาเรียมเองและก็ของทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าทุกคืนนะครับเมื่อน้ําลงแล้วเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่เองต้องออกไปลาดตระเวนตามหาตู้มาเรียมเพราะเกรงว่าจะเกิดตื่นลงตามน้ําไม่ได้ และหากว่าเกิดมรสุมใหญ่ครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะดูแลได้ครับและก็เกิดความปลอดภัยด้วยทั้งคนแล้วก็สัตว์นั่นเองจึงได้มีการส่งทีมสัตวแพทย์เนี่ยเดินทางไปดูสถานที่ก่อนแล้วก็เตรียมการก่อสร้างอ่างอนุบาลน้องมาเรียมนะครับในทะเลธรรมชาติต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้มาเรียมเกิดตื่นนะครับแล้วก็ป้องกันภัยในช่วงมรสุมด้วยขณะที่ดรนันทริกาเนี่ยบอกว่าทุกวันนี้นะครับทุกคนที่ติดตามข่าวก็จะรู้สึกว่าเป็นห่วงมาเรียมเพราะว่า ความที่ว่ามาเรียมยังเป็นพายุน้อยมบเด็กอยู่ยังสุกซนตามภาษานะครับเจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วงที่จะต้องมีการตามหาทุกครั้งเวลาที่น้ําลงเพราะว่าจะไปเกิดตื้นอยู่ในลหลายๆจุดเจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วงว่าเอ๊เดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ต้องมาทํางานตีสองตีสเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ไม่ปลอดภัยกับตัวเจ้ามาเรียมเองแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับจึงหาทางออกให้มีความปลอดภัยที่สุดดีกว่านะครับทีนี้ตามรายงานเนี่ยนะฮะ คือเจ้ามเรียมนะฮะคุณฟังฮะน้ำหนักเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยอยู่ดูแลอยู่หลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเนี่ยผมจะมารายงานให้ฟังกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับฝากผลงานนะครับรายการวัใหม่ถ่าย PBS ทางดิจิตอล HD3 นะครับรายการข่าวเที่ยงถ่าย PBS แล้วก็ RMU ทีนี้สพิกระข่าวเด่นด้วยพบกันนะครับครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ AMU TT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือที่คลื่นนี้ 89.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง